ําดับที่เกเมื่อวัรที่สิบสามธันวาคมพุทธศักราช2 5งพ้าหสิโดยพระคันจิตคุณวโรคอเจริญพรก็มาสู่ช่วงที่สองเจริญพร เรื่องที่สองนี้ก็จะสัมพันธ์พอดีกับเรื่องของมรณานุสติอย่างที่บอกว่าให้เราใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มค่าให้เกิดคุณค่าจะใช้ให้คุ้มค่าและเกิดคุณค่าอย่างไรนะคุณค่าที่เราควรจะได้จากชีวิตนั้นมีอยูนะ่ท่านแบ่งออกเป็นสามด้านด้วยกันนะในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจะเรียกว่าเป็นเป้าหมายในชีวิตนะเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานนั่นเอง แต่ว่าไม่ได้จํากัดเป้าหมายอยู่เพียงแค่พระธรรมทานอย่างเดียวเท่านั้นถ้ายังไปไม่ถึงก็ยังมีเป้าหมายอื่นที่โยมควรจะต้องพัฒนาและคุณที่จะต้องทําด้วยอ้าเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะจัดไว้เป็นเป้าหมายของชีวิตอ่าอยากให้โยมเปิดไปที่หน้าที่เก้าเอาหนังสือมากันหรือเปล่าเอ่ยอถ้าใครไม่มีหนังสือเดี๋ยวอ่านกับคนข้างๆกันแล้วกันนะอันนี้ที่ได้ได้แจกเอาไว้นะฉลประภร โยมที่มาใหม่หรือยังไม่มีหนังสือก็อาจจะฟังโยมที่อที่มีหนังสืออ่านให้ฟังก่อนก็ได้เอาเราลองดูซิว่าในแง่ของการใช้ชีวิตในแง่ที่เราจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆเราควรใช้ชีวิตอย่างไรและอะไรคือสิ่งที่เราควรจะต้องทําให้ได้ให้เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเพื่อให้เกิดความสุขและความเจริญงอกงามในชีวิตของเรานะเนี่ยอ่า หน้าที่เก้านำชีวิตให้ถึงจุดหมายนะคือจุดหมายสามชั้นหรือสามขั้นนั่นเองในทางพุทธศาสนาเราเรียกว่าอัดถะหรือประโยชน์ที่ควรจะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเอา้าวมีอะไรบ้างนะขั้นที่หนึ่งโยมช่วยกันอ่านเลยขั้นที่หนึ่งทิฏฐ ธ, ธรรมมิกัตถะ ตอนแค่นี้ก่อนมีใครเขียนบ้างในข้อหนึ่งที่บอกตอนมีเงินเยอะเอามาใช้ทำสิ่งเหล่านี้มีไหมเอ่ย <c oughs> นี่แหละบางทีเราลืมมองเนี่ยพอมีเงินเนี่ยเราจะถูกปลุกฝังจากค่ า, านิยมในสังคม ม, งมุ่งแต่ไปหาสิ่งเสพนะหรือไม่ก็ให้ให้ให้นี่คือสิ่งที่โยมควรจะต้องสร้างให้มีขึ้นมาในฐานะที่โยมได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน ใช้สิ่งที่ยมมีก็คือในเรื่องของชีวิตแล้วก็ร่างกายนี้เมื่อเรามีมาแล้วต้องรู้จักดูแลรักษาด้วยสิ่งนี้จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่การดูแลรักษานั้นก็เป็นศีลอย่างหนึ่งนะจําได้ใช่ไหมในเรื่องของการรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงและผลที่ได้ก็คือข้อ ก, กอกรไก่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใช้ชีวิตอย่างถูกต้องคนที่ปฏิบัติทำทาได้ถูกต้อง เขายอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีโรคภัยแข่เจ็บน้อยเพราะรู้จักกินรู้จักพักพอนอนหลับแล้วก็รู้จักออกกำลังกายนีอันนี้ข้อก่อด้านที่สองเป็นด้านของหน้าที่ของเราต่อสังคมนี่เป็นคุณค่าของชีวิตของเราใช่ไหมเกิดมาทัา้งไม่ได้ทำอะไรให้สังคมเลยมันไม่มีอะไรภูมิใจ หน้าที่ของเราต่อสังคมอย่างน้อยที่สุดก็คือการช่วยกันทําหน้าที่การงานและมีส่วนรับผิดชอบในสังคมศึกษาให้อ่านศึกษาให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งที่เราทําและทํางานเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยเจตนาในการทํางานผิดเพี้ยนกันไปเยอะส่วนใหญ่ทํางานในอยากได้เงินแต่เราลืมมองไปว่าจริงๆแล้วการที่เราแบ ง, งานกันทำนี่เพื่ออะไรเลย เพื่อให้อยู่ร่วมกันใครถนัดตรงส่วนไหนก็จะได้ทําส่วนนั้นแล้วคนทั้งในสังคมทั้งหมดจะได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความพร้อมเพรียงใช่ไม่ใช่แล้วเมื่อร่วมกันทําคนในสังคมเมื่อได้อะไรมาก็จะเอามาแบ่งปันกันด้วยน้ําจิตน้ําใจเพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่จะมีเงินเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เงินในการซื้อของหรอกใครมีอะไรเยอะเออมีอันนี้เยอะเอาแบ่งให้ อีกฝ่ายหนึ่งมีอีกสิ่งหนึ่งก็แบ่งให้เป็นเรื่องน้ำจิตน้ำใจใช่หรือไม่แล้วเวลาเราทำงานเรารู้สึกว่าเราได้แบ่งปันให้ผู้อื่นแถมผู้อื่นยังมีน้ำใจแบ่งปันให้เราเรารู้สึกยังไงเอ่ยมีความสุขแต่เดี๋ยวนี้ทำงานเพื่อการแบ่งปันมีน้ำจิตน้ำใจให้กันหรือเปล่าหรือจะเอาแต่เงินอย่างเดียวน่งเห็นได้อย่างว่าสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างไร ไปมุ่งแต่เงินว่าตัวเองจะได้ผลประโยชน์มากหรือน้อยแล้วก็ลืมใส่ใจลืมสนใจว่าเราจะให้อะไรกับเขาได้บ้างเพราะหลักการในทางพุทธศาสนานั้นหน้าที่การงานก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมด้วยถ้าเราตั้งเจตนาได้ถือเป็นเรื่องของการตอบแทนเป็นเรื่องของการให้เป็นเรื่องของน้าใจซึ่งมีให้ซึ่งกันและกันและเป็นการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันในสังคม หมอความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลรักษาโาครคภัยแค่เจ็บเจ็บแค่ได้ปวดหมอมีน้ำใจมารักษาให้โยมเออแต่หมอนั้นอาจจะไม่มีข้าวหมออาจจะไม่มีอะไรเอ่ยปัจจัยสี่อย่างอื่นเพราะต้องคอยรักษาดูแลคนในสังคมจึงมีน้ำใจให้ไงเอาเมื่อมารักษาฉันเอาฉันให้ในเรื่องของปัจจัยสี่เพราะฉะนั้นในการให้ได้ประโยชน์จากชีวิต การทำหน้าที่การางานมีอาชีพสุจริตถือเป็นหลักอย่างหนึ่งเลยนะด้านที่สามด้านที่สามนั้นเป็นด้านของสถานภาพในสังคมถ้าประพฤติตนได้ดีคนในสังคมย่อมยกย่อ ง, อ ง, องนับถือใช่หรือไม่เราประพฤติตนได้ดีไปที่ไหนก็มีคนยอมรับมีคนให้เกียรติแค่นี้ย่อมมีความสุขแล้ว และประการสุดท้ายในเรื่องของครอบครัวดูแลเอาใจใส่เห็นอกเห็นใจให้อภัยเส้นกันละกันร่วมกันในครอบครัวในการสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามนี่คือประโยชน์ในการที่โยมได้ร่างกายนี้ที่โยมควรจะต้องสร้างให้มีขึ้นมาในภาษาธรรมะเราเรียกประโยชน์ขั้นตามองเห็นหรือประโยชน์ในขั้นที่เป็นรูปธรรมประโยชน์ในขั้นที่เป็นรูปธรรมจะเห็นว่าถ้าโยมทาได ใช้ร่างกายนี้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใช้ทรัพย์สมบัติที่ยมมีอยู่ความรู้ความสามารถที่ยมมีอยู่สร้างสรงสรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาถึงเวลายมต้องจากไปโอ้ยอมได้ให้กับสังคมเกิดความรู้สึกที่ดีงามร่วมกันอย่างนี้ยมไม่เสียดายแต่แค่นี้ท่านบอกยังไม่พอยังไม่นับว่าเป็นบัณฑิตและยังไม่นับว่าประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงต้องทําให้มากกว่านั้นประโยชน์ที่เราพึงได้จากร่างกายนี้จากชีวิตนี้มีอะไร ที่มีค่ามากเอาประโยชน์ในขั้นที่สองเอาช่วยกันอ่านนิดหนึ่งขั้นที่สอง เจริญพรขั้นนี้ท่านเรียกว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์คือประโยชน์ขั้นเลยตามองเห็นถ้าจะพูดอย่างง่ายๆนั่นก็คือประโยชน์ที่ควรจะพัฒนาให้เกิดขึ้นในจิตใจของโยมเมื่อกี้ในขั้นที่หนึ่งนั้นภายนอกใช่ไหมต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมและครอบครัวขั้นที่สองร่างกายนี้มันไม่ได้ใช้กระุ่งกับภายนอกเท่านั้น ถ้าใช้ได้ถูกเราสามารถใช้ร่างกายนี้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้เอามาพัฒนาภายในได้ด้วยทั้นภายในที่ควรจะต้องพัฒนาขึ้นมามีอะไรบ้างก็คือห้าข้อนี้นี่เองเราใช้พัฒนาอย่างไรหนึ่งใช้ในการสแสวงหาความรู้ไงใช่ไหมสองพยายามมองไว้สิ่งภายนอกเป็นแบบฝพื่หัดในการฝึกในการพัฒนาตัวเรา ทำอย่างนี้เราจะปฏิสัมพันธ์กับภายนอกพร้อมๆกับพัฒนาภายในไปในตัวเอาเราลองมาดูรายละเอียดแต่ละข้อดูข้อแรกคือมีความอบอุ่นซาบซึ้งใจเพราะมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีในกรรมดีที่ตนเองได้ทำสิ่งนี้คือมีศรัทธานั่นเองศรัทธ า, เ, าเมื่อเกิดขึ้นจะมีลักษณะสองอย่างหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีลักษณะแล่นไปเหมือนอย่างที่เราเชื่อมั่นเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าอย่างแท้จริงเราจะรู้สึกอยากทำมีกําลังใจในการทำใช่ไม่ใช่นี่แหละคือมีลักษณะแล่นไปทำให้เรามีความเพียรพยายามมุ่งหน้าไปในการกระทาสิ่งนั้นให้ประสบความสาเร็จนี้คือเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นสองศรัทธาเมื่อเกิดขึ้น จะทำให้จิตของเรามีลักษณะผ่องใส ย, ยกตัวอย่างเช่นเวลายมมีความศรัทธาหรือเห็นคนทำคุณงามความดีแล้วยมมีความเรื่อมใสศรัทธาในความดีงามที่บุคคลนั้นถามจิตใจยมกลับเรื่อมใสผ่องใสเรื่มปิติมีความสุขขอยกตัวอย่างง่ายๆสาหรับคนไทยเช่นตอนในหลวงครองราชครบหกสิบปียืมได้ดูทีวีใช่ไหม ในขณะที่คนหลายแสนคนไปชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้านายหลวงออกมาโบกพระหัตประชาชนเป็นเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญรู้สึกยังไงมีปิติตื่นตันอิ่มใจเพราะอะไรถึงเกิดอาการอย่างนั้นเพราะรู้สึกเลื่อมใสในความดีที่ในหลวงทำให้กับประชาชนใช่ไหมใช่นั่นแหละศรัทธามีลักษณะผ่องใส เกิดขึ้นปุ๊บยิ่งเรามั่นใจเห็นคนทำคนงามความดีหรือเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราเพียงแค่เรานึกถึงเรามีความเรื่มสายอย่างนี้มันจะผ่องใสเกิดความอิ่มใจที่เราจะได้ทำสิ่งเหล่านั้นนี่คือประโยชน์จากภายในใช่หัหยนี่คือใช้ภายนอกมาพัฒนาภายในใช้ร่างกายของเรานี้มาพัฒนาภายใน โดยเฉพาะศรัทธาในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านเน้นย้ำ ม, มากนะก็คือศรัทธาในคุณคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าเมื่อกระทําสิ่งที่ดีแล้วผลที่ดีงามย่อมเกิดขึ้นเราเรียกว่าเชื่อในกรรมและเชื่อในวิบากว่าเมื่อกระทํากรรมดีเมื่อกระทําสิ่งที่ดีงาม ผลที่ดีงามย่อมเกิดขึ้นนะผลที่ดีงามย่อมเกิดขึ้นถ้าคนมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นอย่างนี้เขากำลังทำสิ่งที่ดีใจเขาย่อมเกิดความปราบเรื่มปิติอิ่มใจภูมิใจขณะเดียวกันย่อมได้กำลังใจในการทำสิ่งที่ดีงามนั้นผลที่เกิดคือจิตใจเขามีความสุขและถูกพัฒนาขึ้นมาอันนี้คืออย่างแรกในฝ่ายจิตใจนะเพราะฉะนั้นใกล้ถึงปีใหม่แล้วหลังจะสิ้นปีสองหห้าสองนี่แล้ว ศรัทธายอมเพิ่มพูนขึ้นมาไหมเมื่อเทียบกับ2551 2553โยมต้องให้สิ่งนี้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นมีความเชื่อมั่นในกรรมดีมีความเชื่อ ม, รรมั่นในการกระทำที่ดีงามของเราผลที่ดีงามย่อมเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วแต่จริงๆถ้าดูอย่างละเอียดผลในระดับจิตใจในเกิดขึ้นทันทีที่โยมทาใช่หรือไม่ ยอมนึกถึงสิ่งดีในใจยอมอิ่มขึ้นมาก่อนเรียบร้อยแล้วภนะายนอกนั้นมันยังมีเหตุปัจจัยอื่นปรกนะกอบอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองมีความภูมิใจในชีวิตที่สะอาดได้ทำหน้าที่การงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตคือซื่อตรงไม่คดโกงเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นในขณะที่ยอมทำหน้าที่การงาน ถยอมทำโดยความสุจริตย่มมองกลับไปเป็นยังไงฉันไม่เคยทําสิ่งที่เสียหายฉันทาแต่สิ่งที่ดีงามจะเล่าให้ลูกให้หลานฟังมันก็ดีใจภูมิใจอิ่มใจความสุขเกิดขึ้นแล้ภายในใช่ไม่ใช่ความภูมิใจความอิ่มใจเกิดขึ้นละด้วยความที่เราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองนี่ก็เป็นประโยชน์จากภายในที่ยมควรจะสร้างให้มีขึ้นมาทําอะไรทําอย่างตรงไปตรงมา ทำด้วยความจริงใจกับทุกๆคนทำด้วยความสุจริตสุจริตใจสุจริตกายสุจริตวาจาไม่ให้ก่อความเดือดร้อนไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเรานึกถึงชีวิตที่ดีงามความสุจริตที่เราทำใจย่อมผ่องใสมีความสุ ด, ตสสดแต่ถ้าคนทำสิ่งต่างๆไม่ใช่ด้วยความสุจริตไม่ได้ตรงไปตรงมานึกถึงมันก็จะกังวล ภาษาธรรมะเราเรกว่าเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจมันจะเกิดอาการปิดอัดงดหงิดอะการอย่างเนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกังวลกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้แต่ถ้าทําด้วยความสุจริตแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในใจของโยมเลยประการที่สามมีความอิ่มใจภูมิใจในชีวิตที่มีคุณค่า เพราะเราได้ช่วยเหลือและแบ่งปันด้วยน้ำใจที่เสียสละคือมีจาคะนั่นเองอย่างที่อาตมาได้เกิ่าไว้ในช่วงแรกว่าให้พึงเอาประโยชน์จากทรัพสมบัติให้ได้ด้วยการให้ด้วยการสละด้วยการเอาไปสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามถ้าโยมได้ใช้ทรัพย์สมบัติของโยมแรงกายของโยมกําลังความคิดของโยมในการช่วยเหลือผู้อื่นลองดูนะคิดแบบง่าย สมมติโยมได้ทราบว่ามีคนเดือดร้อนอยู่ตอนนี้หรือมีเด็กที่พ่อแม่เขากำลังป่วยโยมเองรู้จักเด็กคนนั้นถ้าพยมรู้ข่าวโยมอยากจะไปช่วยเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินทองแต่รู้ว่าเรื่องตรงนี้เราช่วยได้โยมนึกว่าโยมจะได้ไปช่วยเขาเท่านั้นเนี่ยโยมรู้สึกยังไงสุขหรือทุกข์ในขณะที่โยมขับรถไปขนขวายไปที่จะช่วยเขาโยมสุขหรือทุกข์ สุขหรือทุกข์เมื่อนึกถึงว่าเราจะได้ช่วยเด็กคนนั้นมีความสุขในขณะที่โยมได้ช่วยเขาละสุขหรือทุกข์แล้วเมื่อโยมได้ช่วยเขาแล้วเห็นพ่อแม่หายจากเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นเด็กหน้าตาเขายิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาขอบคุณโยมโยมมีความสุขหรือความทุกข์โยมกลับมาบ้านหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์นี้ผ่านไปหลายปีโยมมานั่งนึกถึงเออตอนนั้นเราได้ช่วยเด็กคนนั้นนะ นึกถึงใบหน้าเขาที่ยิ้มให้กับโยมนึกถึงพ่อแม่ที่เขาขอบคุณกับโยมอย่างจริงใจโยมรู้สึกสุขหรือทุกข์ฉันใดก็ฉันนั้นสิ่งเหล่านี้โยมได้สะสมเอาไว้ไหมเนี่ยแหละสิ่งที่มีค่าน้าใจที่เสียสละไม่จาเป็นต้องให้ด้วยเงินนะแม้กระทั่งให้คำปลอบโยนให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือหรือช่วยในกแรกาย ทำแล้วมีความภูมิใจมีความอิ่มใจแบบนี้ยมนึก ถ, ถึงขึ้นมาทีไรใจก็เป็นสุขเกิดความภูมิใจเกิดความอิ่มใจเนี่ยเราเรียกว่าประโยชน์ขั้นเลยตามองเห็นนะประการถัดมามีความกลก้ามั่นใจที่จะนำชีวิตไปได้ด้วยปัญญาก็หมายถึงเราใช้เวลาใช้ชีวิตนี้ในการฝึกฝนในการพัฒนาปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความรู้ ในการประกอบวิชาชีพเท่านั้นแต่หมายถึงความรู้ความเข้าใจในสภาพจิตใจของเรารู้จักแก้ไขรู้จักปรับรู้จักพัฒนาให้เกิดความดีงามขึ้นมาในจิตใจของเราสิ่งเหล่านี้โยมต้องสะสมโยมต้องฝึกขึ้นมาถ้าโยมฝึกขึ้นมาได้ใจโยมย่มผ่องใสตอนนั้นถ้าจะทำอะไรหรือมีปัญหาเกิดขึ้นโยมจะไม่หวั่นวิตกเลยเพราะเราได้ฝึกขึ้นมาแล้ว เรามีปัญญาทำได้จริงแล้วนั่นเองและประกันสุดท้ายมีความโล่งจิตมั่นใจเพราะมีทุนประกันพบใหม่เนื่องจากได้ทำแต่กรรมดีอย่างพุทธภาษิต ท, ที่อาตมาได้กล่าวไว้ในตอนต้นเพราะว่าถ้าจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังได้ในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตเราตั้งเจตนาคิดอยู่กับสิ่งที่ดีงามทาแต่สิ่งที่ดีงาม จิตใจเราก็จะสะสมรูปแบบการปรงแต่งจิต ท, ที่ดีงามนี้ไว้สังเกตง่ายๆเวลานั่งอยู่เฉยๆบางจะมีแต่เรื่องดีงามผุดขึ้นมาให้เราคิดให้เราภูมิใจให้เราอิ่มใจอยู่ตลอดถ้าคนสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้เยอะนะมันกลายเป็นรูปแบบแต่ถ้าไม่ใช่ยมลองสังเกตวานั่งอยู่เฉยๆนิ่งๆหรือตอนจำลองเริ่มนั่งสมาธิเรื่องดีหรือไม่ดีผุดขึ้นมามากกว่ากัน ถ้าเรื่องที่ไม่ดีผุดขึ้นมามากกว่าให้ยมระวังเอาไว้แสดงว่ายมกำลังสะสมรูปแบบหรือ ก, กรรมที่ไม่ดีไว้ในจิตใจเยอะต้องรีบแก้ไขนะต้องรีบแก้ไขห้าข้อนี้เป็นห้าข้อทางด้านของจิตใจนะทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นใช้สมบัติที่มีค่าที่เราได้จากธรรมชาติมาพัฒนาห้าข้อนี้ให้เกิดขึ้นในจิตใจยมจะเห็นว่า ถ้าห้าข้อนี้เกิดขึ้นในจิตใจโยมมีชีวิตอยู่ก็มีแต่ความสุขนึกถึงขึ้นมาทีาไรในสิ่งที่เราได้ทำก็มีแต่ความสุขสี่ข้อในด้านภายนอกถ้าโยมใช้สมบัติที่ธรรมชาติให้มานี้ให้เกิดขึ้นนะเราก็สิ่งแวดล้อมละสังคมที่อยู่นั้นจะเป็นสิ่งแวดล้อมละสังคมที่เรือกูลโยมก็จะได้รับแต่สิ่งที่เครื้อกูลเข้ามาผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็จะมาช่วยเสริมในด้านจิตใจของโยมทาให้โยมตั้งอยู่ในจิตใจที่ดีงามได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นสองขั้นนี้พระพุทธเจ้าท่นตรัสว่าให้เป็นจุดหมายของคารืหัเลยยะขั้นต่ำสุดต้องให้ได้สองด้านนี้นั้นในแง่ของคารหืหัเพราะฉะนั้นคนไม่ยอมทำงานเอาแต่แบมแบมือของเงินพ่อแม่ ผิดศีลไหมผิดนะศีลในข้อวินัยนี่ผิดทันทีเลยนะไม่ดูแลครอบครัวเอาแต่เที่ยวเตะผิดศีลไหมผิดนะไม่คํานึงถึงชื่อเสียงของวงตระกูลทําให้วงตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียงผิดศีลไหมผิดนะไม่รู้จักดูแลรักษาร่างกายไม่จับเวลาในการนอนหลับพักผ่อน หรือออกกำลังกายให้เหมาะสมผิดศีลไหมผิดเห็นไหมไอ้ที่เราเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเพราะผิดศีลทั้งนั้นแหละ <c oughs> นะศีลเป็นบาทฐานที่สำคัญเข้าใจนะพอในฝ่ายของจิตใจตรงส่วนนี้ถ้าเรามีศีลอยู่ครบจิตใจพัฒนาได้ง่ายใครทำได้สองข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตนะชื่อว่าเป็นบัณฑิต สองข้อนี้นะสองข้อแรกสองขั้นได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะฉะนั้นจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกยังไม่นับว่าเป็นบัณฑิตในทางพุทธศาสนาบัณฑิตในทางพุทธศาสนาคือผู้ที่รู้จักและเข้าใจโลกและชีวิตและใช้ประโยชน์จากการที่เขามีชีวิตได้อย่างแท้จริงในการพัฒนาทำให้เกิดสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตจิตใจเขาอย่างแท้จริงนั่นจึงจะเรียกว่าเป็นบัณฑิต บัณฑิตในภาษาไทยนั้นเราเอาไว้เรียกสำหรับผู้ที่ศึกษาวิชาชีพแต่ยังไม่ใช่บัณฑิตในทางธรรมยังไม่ใช่บัณฑิตในทางธรรมเลยเมีคาถามไหมในแง่ของจุดหมายสองด้านนี้ เ, เพราะฉะนั้นสมบัติที่ธรรมชาติให้มาอย่างน้อยโยมต้องให้ได้จุดหมายสองด้านนี้จึงจะชื่อว่าคุ้มค่าในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ในขั้นต้นนะคุ้มค่าแค่ขั้นต้นเอาจุดหมายขั้นที่สามอันนี้เป็นจุดหมายขั้นสูงสุดละ ขั้นที่สานี้ท่านเรียกว่าปรมัาถะมาจากปรมาถะวกับคำว่าอัฏฐะนะเพราะฉะนั้นปรมัาถะคือจุดหมายขั้นสูงสุดเลยอันนี้ให้เป็นเป้าหมายต้องพยายามไปให้ถึงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะไปถึงได้ในชาตินี้นะข้อแรกโลกธรรมกระทบถึงพบความผันผวนจิตใจกลับไม่วันไหวมีจิตที่เกษมสารมั่นคงโลกธรรมได้แก่อะไร หนึ่งการได้ลาบสองเสื่อมลาบเป็นยังไงเรากระทบไหมถูกลอตเตอรี่เป็นไงกระทบไหมกระทบเลยใช่ไหมกระโดดเยี่ยวเยียวเลยใช่ไหมทําสตังหายกระทบไหมโอ้โหอึดอัดครับคล่องโกรธเลยใช่ไหมใครไปด้วยไม่ยอมเตือนนี่โดนหางเลขไปด้วยนั่นแหละโลกกระทำกระทบแหละสองได้ยศเสื่อมยศ เป็นยังไงเวลาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกระโดดดีใจหรือเปล่านั่นแหละถูกลกกระทํากระทบหรือเวลาโดนลดขั้นหรือตกงานเป็นยังไงเศร้าโศกเสียใจไหมนั่นแหละโลกกระทํากระทบแะต่อมาข้อที่ห้าสรรเสริญกับนินทาเวลามีคนมาพูดชมโอ้วันนี้เธอดูสวยจังโอ้คุณทำงานได้ดีมากเลย โอ้คุณเป็นคนเก่งนะโอ้โหปลืม้มเดินตัวลอยนะั่นโลกธรรมกระทบเขาละถ้าโดนหัวหน้าว่าหรือโดนหัวหน้าดา่าทำงานทาไมไม่ได้เรื่องหรือมีคนอื่นมานินทาดูสิแต่งตัวยังไกลลิเกหลงโงโกรธอึดอัดนั่นแหละโลกธรรมกระทบละพวกนี้หนีไม่พ้นนะนินทาสรนเสริม และประการที่หกความสุขประการอา่ะประการที่เจ็ดความสุขความสุขและประการที่แปดคือความทุกข์เมื่อมีความสุขก็หลงติดยึดติดกับความสุขเพลินไปเมื่อมีความทุกข์ก็เอาแต่บน่นเอาแต่กล่นเศร้าโศกเสียใจยนั่นแหละโลกกระทำกระทบแต่สิ่งเหล่านี้โยมปฏิเสธไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอ เมื่อเช้าถ้าใครมาทันฟังพระเทศท่านก็ยกตัวอย่างพระสูขขึ้นมาเงี่ยมันดิดที่ชื่อว่าอตุลละนะมีใครมาฟังทันไห่เอ่ยเมื่อเช้า <c oughs> มีฟังทันนะคนไทยถึงบอกว่านะแม้องค์พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนอินทา <c oughs> เอาเล่าให้ฟังเป็นเกรดวันเล็กเล็กนะ้อยยมจะได้จำได้แม่นนิดนึง เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่ามีคนช่างติจุดคนหนึ่งมันติได้ทุกเรื่องต่อมาเพื่อนเขาเนี่ยดูว่าจะหาเรื่องที่ไอคนนี้ติไม่ได้พอดีไปที่วัดวัดหนึ่งเจอพระพุทธรูปสวยมากเรียกว่าสวยจนหาที่ติไม่ได้เลยก็เลยกะว่าเอาดูซิว่าคนนี้มันจะติอะไรพระกับพระพุทธรูปองนี้นะก็เลยชวนเพื่อนไป เพื่อนไปดูไปเดินดูรอบเลยไม่รู้จะติตรงไหนสวยสงา่าใบหน้าสงบเย็นมีเมตตามากเพื่อนก็เลยถามไอ้คนช่างติบอกว่าเป็นยังไงบ้างพระพุทธรูปองนี้เออสวยดีแต่ว่าคนช่างติเสีอยอยู่อย่างเดียวเดินไม่ได้พูดไม่ได้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นโยมทําดีแค่ไหนไม่ต้องไปอย่าเพิ่งไปเสียใจว่ามีคนมาตําหนิทามตินะยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าคนมันจะตินะมันพูดได้ทุกเรื่องแหละอย่าให้ไปวันไหวอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะอย่าให้ไปวันไหวกับสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนินทาสรเสริญสุขทุกพวกนี้ของธรรมดาของชีวิตเกิดขึ้นมาสุดท้ายมันก็จะผ่านไปใช่หรือไม่ นั่นไม่ใช่ของอยั่งยืนเลยดูชีวิตของเราสิร่างกายของเราสุดท้ายก็ต้องทิ้งในการฝึกในขั้นสูงในขั้นวิปัสสนาท่านจึงให้ค่อยๆมาสังเกตสิ่งเหล่านี้พวกนี้มันจะเกิดขึ้นในใจของเราอยู่ตลอดเบื้องความสุขเกิดความทุกข์เกิดความรู้สึกเฉยๆเกิดแล้วมันก็แปลเปลี่ยนไปแบบนี้ฝึกแรกๆสุขวิ่งเข้าจับสุขวันนี้ปฏิบัติ ด, ดีเอาอย่างนี้อีกทุกข์เข้ามาเมื่อไหร่มันจะหมดไปสักทีสัก ท, ทีหนึ่ง ไหนบอกว่าเป็นอนิจจังไม่เห็นมันหมดสักทีหนึ่งทำไมยังทุกข์อยู่ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละอาการของกิเลสทั้งสิ้นเราจึงต้องคอยฝึกมานั่งสังเกตทําใจให้สงบเพื่อคอยสังเกตกระทบเปล้งเปลี่ยนสภาพหายกระทบเปึืงเปลี่ยนสภาพหายถ้าสังเกตให้ดีมันจะเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วฝึกในการที่เข้ามากระทบไม่วิ่งเข้าจาบแล้วก็ไม่ผลักมันมันดับไปก็ไม่ดึงมันไว้หรือไม่ดีใจไม่มันต้องจากไปการฝึกขั้นนี้เป็นการฝึกในขั้นวิปัสสนา ซึ่งจะได้สอนต่อในปีหน้าฟังดูเหมือนนานเลยนะปีหน้า <c oughs> รอหน่อยก็แล้วกันเนอะไว้ปีห้าสามนะปีหน้าค่อยสอนนะเจริญพรอัอนนะนี่พวกนี้เราต้องฝึกไว้ตลอดใครฝึกได้ดีต่อไปสิ่งหลังต่างเหล่านี้เข้ามากระทบใจไม่กระทบเลยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติปล่อยวางได้อย่างแท้จริงท่านถึงบอกว่ามีจิตที่เกษมสาร แม้ถูกโลกกระทำทั้งหลายเข้ามากระทบแล้วก็ตามใครทําได้ขั้นนี้เท่ากับโยมได้คุณค่าที่แท้จริงเรียบร้อยละประโยชน์ที่จะได้จากชีวิตนี้โยมได้อย่างเต็มที่ได้ประโยชน์จากชีวิตนี้แล้วถึงตอนนั้นแม้ต้องทิ้งร่างกายนี้โยมก็ไม่ทุกข์แม้ร่างกายนี้จะมีอะไรเข้ามากระทบโยมก็ไม่ทุกข์นั่นคือศักยภาพที่พวกเราสามารถทําได้และพระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ท่านให้แนวทางเอาไว้เรียบร้อยแล้ว อยู่ที่พวกเราจะเฝึกจะทําหรือไม่นะอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองไม่ถูกความยึดติดบีบคั้นทําให้เป็นทุกข์เป็นยังไงความยึดติดบีบคั้นทําให้เป็นทุกข์ยกตัวอย่างอย่างง่ายๆนะบางท่านตื่นเช้ามาสองกระจกโอ้หน้าเหี่ยวอีกแล้วไม่เห็นเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยนี่ไงความยึดติดบีบคั้น ไปทำงานงก็เจออีกล้งานซ้าๆเดิมๆทำไมมันไม่ได้ดีเหมือนอย่างเมื่อเมื่อในอดีตที่เราเคยเป็นน่ะความยึดติดบีบคั้นตอนนี้ทุกเลยใช่ไหมหรือเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้เมื่อก่อนทำไมตอนนี้ต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อก่อนยังไม่เป็นเลยนี่ความยึดติดบีบคั้นเป็นบีบบีบขันใช่ไหมไม่ใช่ร่างกายหรอกที่ทำให้โยมทุกข์ไม่ใช่ภายนอกหรอกใจโยมที่เข้าไปติดกับมันนี่ต่างหากที่ทำให้โยมทุกข์ จำเรื่องรถที่อาตมา ย, ยกตัวอย่างได้ไหมใครยังไม่ได้ฟังบ้างเรื่องรถสามกรณีช่วยยกมือหน่อยโอ้แต่แสดงว่ามีโยมใหม่มาเยอะเหมือนกันสรุปง่ายๆสั้นๆโยมที่ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะเพราะว่าโยมจะได้เข้าใจในข้อขอนี้ให้ชัดเจนสมมติโยมกำลังอยากได้รถสักคันหนึ่งยี่ห้อเบนก็ได้ ต่อมาโยมเห็นรถอย่างที่โยมชอบทุกประการเลยแต่ไม่ทราบว่าของใครโยมไม่รู้จักเจ้าของรถแต่เป็นอย่างที่โยมชอบทุกประการขับมาจอดอยู่หน้าบริษัทคนขับเดินลงจากรถไปไม่ถึงยี่สิบเก้ามีรถบรรทุกจากที่ไหนก็ไม่ทราบวิ่งมาหักหลบรถกันข้า ง, งหน้าพุ่งชนตุ้งเบ้นคันนั้นพังยับไฟลุกท่วมรู้สึกยังไงเอ่ย เสียดายทำงานต่อได้ไหมไม่ใช่ของโยมโยมไม่รู้จักเจ้าของรถทำงานต่อได้ไหมได้ไปดูหนังไปกินข้าวยังกินข้าวอร่อยไหมอร่อยดีไม่ดีเอามาเป็นเรื่องคุยกับเพื่อนอีกใช่ไหมถ้าเป็นเจ้าของรถนะฉันคงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปแล้วใช่ไหมใช่อันนี้กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองถ้ารถคันนั้นเป็นรถของ คนที่ยอมเกลียดมากๆไอคนนี้มันโกงเงินเราเป็นศัตรูผู้อาฆาตเลยซื้อรถได้ก่อนเราโกงเงินเราเนี่ยไปซื้อรถเมื่อวานมันยังขับเฉียวเราเลยแค้นมากเช้าวันนี้เห็นขับมาจอดหน้าบริษัทเดินลงไปไม่ถึงยี่สิบเก้าเหตุการณ์อย่างเดียวกันเกิดขึ้นชนตุ้งไฟรถท่วมเห็นมันลงไปนั่งของกับพื้นเลย ตอนนี้รู้สึกยังไงไม่ต้องบอกนะดูไปหน้าก็รู้แล้วนะไม่กินข้าวมายังอิ่มได้ทั้งวันเลยใช่ไหมนะใครว่าอะไรก็ไม่โกรธแล้ววันนั้นนะแปลผันกับความเกลียดเจ้าของรถใช่ไหมใช่กรณีที่สามถ้ารถคันนั้นเป็นรถที่ยมเก็บเงินมาสิบปีขายที่เอาไปไปซื้อรถคันนี้เพราะอยากได้มาก ออกมาได้สี่วันยังป้ายแดงอยู่เลยยังไม่ได้ทำประกันยมขับไปจอดหน้าบริษัทเดินลงไปไม่ถึงยี่สิบเก้าและเหตุการณ์อย่างเดียวกันเกิดขึ้นชนตุ้มไฟลุกท่วมทั้งคันค่านี้เป็นยังไงเพื่อนบอกไปวันนี้พาไปเลี้ยงข้าวมื้อละหมื่นกินลงแม้มื้อละหมื่นหนังสนุกแค่ไหนต่อให้ไปดีมเวลก็ไม่สนุกแล้วใช่ไหมไปดิสนีย์แลนด์ก็ไม่สนุกแลนอนหลับไม่คืนนั้น อยากจะนอนให้หลับนะแต่บางทีมันก็จะไม่หลับถ้าไม่ใช้ยานอนหลับด้วยซ้าใช่หรือไม่สามกรณีเนะี่ยเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเหมือนกันรถก็ยี่ห้อเดียวกันอะไรที่ทำให้ยมทุกข์รถทำให้ยมทุกข์ร ห, กหรืออะไรนี่ยห่ะข้อขอใครความยึดติดถือมั่นจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องไม่เป็นอย่างนั้นจะต้องไม่เป็นอย่างนี้น กรณีที่หนึ่งยมยึดติดน้อยแต่ยังยึดติดอยู่เพราะรถที่ชอบเสียดายบ้างแต่ไม่ทุกมากกรณีที่สองยึดติดมากหรือน้อยมากยิ่งรู้สึกมีความสุขมากเท่าไหร่เวลารถพังยิ่งยึดติดมากเท่านั้นเพราะว่าอะไรถ้าเห็นรถคันนี้ยังขับได้ดีอยู่ยมจะทุกยึดติดไหมล่ะ แต่ถ้าพังแล้วยมเพงจะมีความสุขนั่นแหละอาการยึดติดแหะเข้าใจนะกรณีที่สามยึดติดไหมยึดในทางดึงเข้าหาตัวอยากให้มันอยู่อยากให้มันเป็นเห็นไหมพอมันกระทบมันแปลเปลี่ยนไปเป็ น, ปปนยังไงเอ่ยทุกข์อีกถ้ายมกำจัดตัวนี้ได้ภายนอกจะเปลี่ยนเป็นยังไงยมไม่ทุก แล้วทุกวันนี้เราฝึกในการแก้ไขทำให้ยึดติดน้อยลงหรือว่ายึดติดมากขึ้นละ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกนะว่าทำไมถึงเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เรากำลังสะสมในจิตใจของเรานั่นเองอาการอย่างนี้คืออาการของกิเลส ท, ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้กําจัดเสียข้าใจนะเพราะฉะนั้นถ้าทาได้ใช้ชีวิตใช้ร่างกายใช้จิตใจที่เรามีนี้ในการฝึก จะไม่ถูกความยึดติดถือมั่นเหล่านี้บีบคั้นทำให้เป็นทุกข์อีกเลยถึงตอนนั้นจิตใจย่อมโปร่งเบาเป็นอิสระไม่ว่าสิ่งใดจะแปรปนไปอย่างไรก็ตามข้อที่สามสดชื่นเบิกบานไม่คุณ牟เศร้าหมองผ่องใสไร้ทุกข์และก็มีความสุขที่แท้เพราะใจมันวางได้ถ้าเป็นอิสระนั่นเองและข้อที่สี่รู้เท่าทันและทการตรงตามเหตุตามปัจจัยอันนี้สาคัญนะ คนที่ปล่อยวางได้ทำก็ไม่ทุกข์ไม่ทำก็ไม่ทุกข์ต้องทำก็มีความสุขไม่ต้องทำก็มีความสุขนี่คือคนที่ปล่อยวางได้แต่ถ้าเขาพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจของตนเองและต่อผู้อื่นต่อสังคมโดยส่วนรวมอย่ว่าขเขาจะทำไหม ทำและทําอย่างเต็มที่ต่อให้คนอื่นๆไม่เห็นความสําคัญของสิ่งที่เขาทํำด้วยซ้ําหรือว่าเขาโง่ด้วยซ้ําแต่เขาวกกลับทําอย่างเต็มที่ถ้าเขาทําแล้วประสบความสําเร็จเขาก็ไม่ทุกข์แม้ล้มเหลวเขาก็ไม่ทุกข์นี่แหละคือปล่อยวางได้อย่างแท้จริง แต่มีคนอีกประเภทหนึ่งที่คนไทยมักจะพูดว่าปล่อยวางแต่จริงๆไม่ใช่ปล่อยวางคนอีกประเภทหนึ่งคือถ้าต้องทำแล้วเป็นทุกข์ถ้าไม่ทำแล้วมีความสุขพวกนี้ปล่อยวางได้หรือเปล่าไม่ได้นะยึดติดเลยนะยึดติดกับความขี้เกียจยึดติดกับความสบายของตัวเองใช่ไม่ใช่อาการอย่างนี้ไม่ใช่ปล่อยวาง อาการอย่างนี้เราเรียกว่าปล่อยปลาละเลยนะมันคนอ้ช่างมันเถื่ออะไรมันจะเป็นไปกว่าช่างมันฉันปล่อยวางละฉันไม่ยุ่งไม่เกี่ยวละไม่อยากเข้าไปยุ่งละปล่อยวางนั่นแหละปล่อยปลา ล, ละเลยเฮมันยังติดอยู่เงียมันต้งเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปช่วยแก้ไขไม่ได้เข้าใจนะแต่คนไทยเป็นกันมากพอใครมีอาการอย่างเนี้ยทัานถือสันโดษ ไม่ต้องทํางานอยู่สบายไปวันๆเพราะปล่อยวางล้วฉันไม่ยึดติดใครจะรวยกว็ช่างใครจะมีชื่อเสียงก็ช่างงานใครจะดีก็ช่างฉันจะทําอยู่แค่เนี้ไอ้อย่างนี้ไรียกว่าปล่อยปละละเลยนะไม่ใช่ปล่อยวางเข้าใจนะเพราะถ้าปล่อยวางด้อย่างแท้จริงเขาจะทําอย่างเต็มที่ทุกขณะเลยเพราะเขาไม่ทุกข์กับการทําหรือไม่ทําแต่ถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีเขาจะไม่ทํา ต่อให้ใครให้ผลประโยชน์มากแค่ไหนจะชื่นชมชมเชยเขาแค่ไหนถ้าเขาทำสำเร็จเขาก็จะไม่ทำนะเพราะนี่จุดหมายสี่ด้านนี้นะสี่ขั้นนี้ขอให้ตั้งเป็นจุดหมายสูงสุดในชีวิตใครทำได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในการฝึกในการพัฒนาตามหลักพพุทธศาสนาเราจะเรียกอาการเหล่านี้ว่าพรานิพาน เราจะได้อาการเหล่านี้ว่าพระนิพานอาการที่โลกธรรมเข้ามากระทบและไม่กระทบมีสิตเกษมสานอยู่ตลอดอาการที่ไม่ถูกความยิติดถือมัน่นบีบคั้นเลยจิตโปร่งโลง่งเป็นอิสระอยู่ตลอดเวลาอาการที่ไร้ทุกข์สดชื่นเบิกบานมีความสุขอาการที่ทําสิ่งต่างๆตามเหตุตามปัจจัยด้วยปัญญาอย่างแท้ๆเลยไม่มีอารมณ์ไม่มีความชอบใจไม่ชอบใจเข้ามายุ่งเกี่ยวเข้ามา แทรกเลยบุคคลผู้ทําได้อย่างนี้ย่อมได้ชื่อว่าพระอาหารหันต์นั่นเองเพราะในสังคมในทางพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงเปิดโอกาสให้สําหรับบุคคลที่ยังเป็นเครือข่ายังต้องยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินก็ต้องรู้จักการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินและการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นให้ถูกต้องโยมจะได้ที่จะทำใหกัตถประโยชน์ และต้องอย่าลืมเสริมสร้างคุณธรรมในจิตใจความดีงามในจิตใจ ย, ยมจะได้สัมปราช ย, ยกรรมสำหรับเครือข่เนื่องจากจะต้องยุ่งเกี่ยวกับการทําละกิจการงานมีภาระรับผิดชอบเยอะอย่างเราต้องให้ได้สองด้านนั้นแต่ถ้าสําหรับคนที่บอกว่าต้องการจุดหมายขั้นสูงสุดอยากพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านก็เปิดโอกาสให้ด้วยการจัดตั้งสังคมใหม่ขึ้นมาที่เราเรียกว่าสังคัส มันสังคากจุดหมายคือขั้นที่สามคือปรมาถจะเห็นว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับข้อที่หนึ่งเลยไม่มีครอบครัวไม่ทำงานแล้วแต่คนศรัทธาจะให้แต่คนนี้ในสังคมในทางพุทธศาสนาเป็นสังคมแห่งการมีน้ำจิบน้ำใจเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกระือหั เห็นบุคคลผู้ออกป่วดตั้งใจทำสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเขาและต่อคนอื่นๆด้วยเมื่อเขานำมาสั่งสอนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีน้ำใจกับคนที่กพยายามจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเหล่านี้ด้วยการอุปถัมภ์ขำจุนด้วยการให้ปัจจัยสีไงเครื่อหัสจึงควรให้ปัจจัยสีและส่งเสริมไม่ให้ท่านได้เดือดร้อนในเรื่องของความเป็นอยู่ แต่สำหรับพระพิสุทสงฆ์จึงมีหน้าที่ไม่ใช่มัวแต่ไปยุ่งกับวัตถุจะสร้างนั่นสร้างนี่อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้แต่ควรใช้ปัจจัยสีนี้เท่าที่จําเป็นจริงๆแล้วเอาเวลากําลังกายกําลังใจกําลังความคิดกําลังสติปัญญาฝึกพัฒนาให้เต็มที่เพื่อให้เข้าสู่ปารามัตถะขณะเดียวกันพระพิสุทสงฆ์ก็มีหน้าที่ ในการบอกสอนค้าเรื่หัดเพราะข้าเรื่หัดไม่มีเวลามานั่งศึกษาสิ่งเหล่านี้ต้องนําสิ่งเหล่านี้ไปบอกไปสอนไปฝึกให้กับค้าเรื่อยหัดนั่นคือสิ่งที่พระภิกษุสงฆ์มีน้ําใจให้กับค้าเรื่อยหัดมองอย่างนี้โยมก็จะเห็นว่าเป็นสังคมที่เป็นยังไงเอ่ยสอดประสานและเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วแต่ใครมีจุดหมายตรงไหนคนในสังคมมีน้ําใจให้ซึ่งกันและกัน ใครมีอะไรมากแบ่งไปให้คนอื่นสอนให้คนอื่นให้ได้สิ่งที่ดีงามเหล่านี้คาเรื่องหัดก็ไม่ต้องไปนั่งฝึกไปนั่งศึกษาอะไรให้มากพระพิสุสงศึกษาฝึกแล้วได้ประสบการณ์อย่างไรเอามาบอกมาสอนเป็นครูคอยสอนให้เขาก็จะก้าวหน้าไปในคุณธรรมความดีได้เร็วพระพิสุสงก็ไม่ต้องมานั่งกังวลจะจะทานอะไรในมื้อต่อไปในวันพรุ่งนี้ จะอยู่ที่ไหนหรือจะเครื่องหนุ่มผมจะเอาจากที่ไหนเพราะการหัตคอยช่วยดูคอยช่วยให้ตรงส่วนนี้คอยช่วยสนับสนุนแล้วท่านก็จะได้ทุ่มเวลาไว้กับสิ่งที่เป็นปรัมมัทธ์ได้อย่างเต็มที่นี่แหละสังคมที่สอดประสานสอดคล้องซึ่งกันและกันนะถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นว่าสังคมของพุทธศาสนานั้นเป็นสังคมแห่งน้ําจิตน้ําใจและความเกื้อกูล ตามความถนัดและเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้ใช้ความรู้ความสามารถในสิ่งที่ตัวเองถนัดและสิ่งที่ตัวเองสนใจอย่างเต็มที่ในการที่จะเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้จะเห็นชัดในจุดหมายอีกสามอย่างอนุยอมช่วยกัน่านนิดหนึ่งจุดหมายสามด้าน ฉะนั้นอย่างที่บางคนมองว่าพุทธศาสนาสอนให้อยู่คนเดียวจริงไหมไม่ใช่เนี่แหละสามด้านนะเพื่นชาวผู้ที่แท้จริงจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมเพื่อคูณผู้อื่นในขณะเดียวกันก็ฝึกพัฒนาตนเองอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ตอนที่ท่านว่าปรารพนะท่านเรียกว่าปรารพที่จะปรินิพพาน พระพุทธเจ้าท่านได้วางหลักไว้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนที่ท่านตัดสรู้ว่าถ้าตราบใดพุทธบริษัทพุทธบริษัทคือใครภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถ้าตราบใดบริษัทสี่เหล่านี้ยังไม่ศึกษาอย่างรู้เข้าใจยังไม่สามารถฝึกปฏิบัติจนเห็นผลได้ด้วยตัวเองตราบนั้น พระพุทธองคายังไม่ปรินิพพานมองด้านนี้จะเห็นว่าเป็นประโยชน์เพื่อตนใช่ไหประโยชน์เพื่อตนพุทธบริสัท4สีสามารถทำได้หรื อ, อยังถ้าทำได้แล้วท่านวางใจในระดับที่หนึ่ง 2. ถ้าตับาดพุทธบริสัท4ียังไม่สามารถบอกสอนชี้แจงถแถลงไขและฝึกผู้อื่นให้สามารถรู้เข้าใจและประพฤติปฏิบัติ ตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์จนกระทั่งบรรลุผลได้ตราบนั้นพระพุทธองค์จะยังไม่ปรินิพานนี่คือจุดหมายเพื่อใครเอ่ยเพื่อผู้อื่นคือท่านคาดหวังว่าพุทธบริษัทเมื่อได้ศึกษารู้เข้าใจแล้วมีน้ำใจต่อผู้อื่นในการบอกสอนในการช่วยฝึกหัดให้กับผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์เหล่านี้ประการที่สถ้ามีผู้มาพูด ใส่ร้ายหรือมาพูดตีความพุทธศาสนาหลักการคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ผิดเพี้ยนไปถ้าบริษัทสี่ยังไม่สามารถข่มป ร, รับประวาติคือวาทที่ตรงกันข้ามเหล่านี้ไม่สามารถช่วยแก้ไขสิ่งที่ผิดและอธิบายชี้แจงในรายละเอียดต่างๆให้เข้าเห็นได้อย่างถูกต้องเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าจะยังไม่พรินิพพาน นี่วัตถุประสงค์เพื่ออะไรสังคมโดยส่วนรวมเลยเพราะหลักนี้จะต้องอยู่ไปถึงอนาคตทั้งตนเองและผู้อื่นในอนาคตเนี่ยประโยชน์สามด้านเหมือนกับเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าฝากไว้ให้กับบริษัทสี่ว่าเธอต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้นะนี่คือสิ่งที่ท่านฝากฝังเอาไว้ให้กับผู้รับมรดกแห่งธรรมของพระพุทธเจ้า เพื่อนเราในฐานะพุทธบริษัทในแง่ตัวเราต้องทำอย่างเต็มที่ในการศึกษาประพฤติปฏิบัติขณะเดียวกันไม่ละเลยผู้อื่นและไม่ละเลยสังคมอะไรที่เป็นหลักที่ดีงามต้องช่วยกัน ร, รักษาอย่าให้ใครมาปิดเปื้อนอย่าให้ใครมาทำให้เสียเพราะฉะนั้นพระอระหันต์ในสมัยพุทธกาลก็ตามหรือหลังสมัยพุทธกาลก็ตาม ท่านจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงมากแล้วพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเป็นวินัยให้เลยนะต่อให้เป็นพระอระหันต์ถ้าสงต้องการหรือสงเรียกต้องมาทันทีต่อให้เป็นพระอระหันต์เรื่องนี้ก็มีเรื่องเล่านะพระอระหันต์ไปเข้านิโรธสมาบัติแต่ลืมกำหนดว่าถ้าสงเรียกจะออกจากนิโรธสมาบัติถ้าไม่ได้กำหนดก่อนตอนนั้นมีการประชุมสง ในสมัยของพระเจ้าเมนันเดอร์พระเจ้าเมนันเดอร์นี่ฉลาดมากไปถามคําถามจนกระทั่งพระตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีเดือดร้อนกันไปหมดนะท่านในคมภีร์เนี่ยชื่อพระเจ้ามิรินทะกเคยได้ยินใช่ไหมมิรินทัปัญหาเนี่ยแห ล, ละถามคำถามที่ลึกซึ้งมากต้องบอกว่าท่านฉลาดมากพระสงฆ์ก็เลยประชุมกันมีรูปหนึ่งไม่มาเพราะไปเข้าในโลกสมาบัติถึงพระอารหรันต์ พอท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาเข้าประชุมก็เลยถูกลงโทษ <c oughs> ด้วยการให้ไปเอาลูกของพรา์คนหนึ่งเพราะว่าเห็นนละกคนนี้เป็นคนที่มีปัญญามากและเข้ามาบวชจะเป็นผู้ที่เป็นกำลังให้ พ, พุทธศาสนาต้องทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กเนี่ยมาบวชแล้วเมื่อมาบวชต้องรับเป็นศิธิ์และต้องสอนให้รู้จักหลักพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ เอามาบวชในที่นี้ไม่ใช่ใช้เลขเพรทุบายนะไปแสดงให้เห็นจนจกระทั่งครอบครัวเกิดศรัทธาเด็กเกิดศรัทธาเด็กอยากจะบวชเองและพ่อแม่ก็อนุญาตเนี่ยวิธีการลงโทษคือให้ไปบำเพ็ญประโยชน์นั่นเองะให้ไปสร้างประโยชน์นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือแม้แต่กระทั่งปัจจุบันนินยมจะสังเกตเห็นถ้าพระที่ท่านรู้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นหรท่านจะพยายามออกมาช่วยออกพยายามมาชี้แจงให้คนในสังคมเข้าใจแทนที่จะมืดบอดแล้วก็ควยเขวยอยู่กับความไม่รู้อันนี้เป็นหน้าที่เลยนะเป็นหน้าที่เลยหน้าที่อย่างนี้ไม่ใช่การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสังคมแต่เป็นการให้แนวทางบอกสอนอธิบายให้เข้าใจไม่เข้าข้างฝ่ายใดทั้งสิน้น แต่หลักธรรมเป็นอย่างไรอยู่อย่างไรจึงจะมีความสุขควรพัฒนากันอย่างไรท่านต้องให้หลักนี้นี่ถือเป็นหน้าที่ของพระพิกสุทสงฆ์เลยและพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีเยอะเลยพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะกะัปติวัตสูตรทศพิตราชธรรมใช่ไหมเรื่องของกําลังของกษัตริยนะ์พลังของกษัตริย์มีอยู่ห้าประการด้วยกัน หรือแม้แต่กระทั่งอปริหานิยธรรมตอนนั้นเน่ยแควนวัชีกำลังจะถูกโจมตีจากแควนมคติท่านก็ตัดเรื่องอปริหานิยธรรมให้ให้รู้หลักว่าในการอยู่ร่วมกันควรสามัคคีกันมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างจะทําให้เกิดความสามัคคีกันของคนในเมืองนั้นๆนะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ให้หลักในการอยู่ร่วมกันให้หลักในการปกครอง ว่าควรปฏิบัติต่อกันอย่างไรนี่คือจุดหมายสามด้านอันนี้สามด้านนี้ก็ต้องฝากไว้กับโยมทุกๆคนอย่ามวัวแต่นั่งบ่นว่าทำไมคนไทยแย่ทำไมคนไทยเสื่อมจากพุทธศาสนาอย่าบอกว่าพุทธศาสนาเสื่อมนะพุทธศาสนาไม่เสื่อมหรอกมีแต่คนที่เสื่อมจากหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนนะแบ่งให้ออกนะคนไทยตอนนี้กาลังเสื่อมจากคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะไม่ต้องไปมองไกลามากเริ่มจากตัวเองคนในครอบครัวและคนที่รู้เรารู้จักอย่างน้อยที่สุดหลักตรงเนี้ยวินัยชาวพุทธเนี่ยให้เขามีหลักเป็นอย่างน้อยถ้าได้หลักอย่างนี้เนี่ยแล้วทําได้อัตมาตีไว้สักสามสิบเปอร์เซ็นของคนในประเทศถ้าทำอย่างนี้ได้ประเทศเปลี่ยนไปเยอะเลยละ่ะเอาแค่สามสิบเอร์ซ็นไม่ต้องห้าสิบเปอร์เซ็นหรือร้อยปอร์เซ็ตหรอกนะ มันก็ฝากไว้สําหรับโยมทุกๆคนที่มาในวันนี้เอาประโยชน์จากชีวิตนี้ให้ได้เอาประโยชน์จากสิ่งที่มีค่าที่เราขอยืมธรรมชาติมาใช้นี้ให้ได้ใครทาได้เรานึกถึงหรือถึงเวลาเราจะต้องจากกายนี้ไปโยมจะไม่เป็นทุกข์เลยกลับไม่แต่ความภูมิใจความเอ็ใจในคุณงามความดีและสิ่งที่ดีงามที่เราฝากไว้ให้กับกลูกหลานและฝากไว้ให้กับสังคมของเรา อ้าวสําหรับเขาด้วยหัดขอต่ออีกแค่หมวดเดียวเท่านั้นเพราะว่าจะได้ทันวันเสาร์น ะ, ะช่วยเปิดไปที่หน้าที่สิบเอ็ดเลยชาวพุทธชั้นนําในฐานะอุบาสกอุบาสิกาควรทําอย่างไรบ้างในฐานะอุบาสกอุบาสิกาเพราะปัจจุบันนี้คนบอกเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ลืมไปว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรและมักจะทําผิดเพี้ยนไปอ้าวช่วยกันอ่านนิดหนึ่งชาวพุทธที่เรียกว่า นี่คือตัวโยมแล้ะนะนี่คือคุณสมบัติที่โยมควรจะต้องมีในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเอาข้อแรกเลยมีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาไม่งมงายเป็นยังไงงมงายโยมมากราพระพุทธรูปเจ้าพระภูนขอให้ปีใหม่หน้าที่การงานดีได้ร่ำได้รวยนั่นแหละเป็นศรัทธาที่งมงาย <c oughs> นะเอาแต่ขออย่างเดียว นะศรัทธาคือเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในอะไรเอ่ยเชื่อมั่นในการกระทำคุณงามความดีเชื่อมั่นว่าเมื่อเรากระทำดีผลดีย่อมเกิดขึ้นกับเราและผลดีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรารู้จักเหตุปัจจัยและทําได้ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยเชื่อมั่นเริ่มใสในคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าถ้าเรา ป, รปฏิบัติตามหลักที่ท่านบอกแล้วเราจะสามารถสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ทําให้เราพ้นจากความทุกข์ได้นี่ต้องเป็นศรัทธาอย่างนี้ เป็นศรัทธาประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ศรัทธาแบบเจ้าประคุณขอให้นะอา้าวลองดูซิว่าคอนนี้สอบผ่านหรือสอบตกกันนะข้อที่สองมีศีลศีลผมไม่ต้องกล่าวถึงและที่ว่ามานาะศีลทั้งหมดเลยข้อที่สามอันนี้ขอกล่าวเยอะหน่อยไม่ถือมงคลตื่นข่าวปีใหม่ใครไปดูดวงบ้างใครไปดูเลขบ้างนั่นแหละอาการที่เรียกว่า ถือมงคลตื่นข่าวที่นั่นครั้งที่นั่งศักดิ์สิทธิ์ทาบุญเก้าวัดสองห้าห้าสามจะได้ร่ำจะได้รวยจะได้โชคดีแต่ถ้ายัางนอนขี้เกียจเหมือนเดิมก็ไม่มีวันได้หรอกเข้าใจนะต้องไม่ถือมงคลตื่นขาวนะไม่ถือในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของเริกต่างๆ แต่ตั้งใจตั้งเจตนาที่ดีทําดีเมื่อไหร่เมื่อ น, นั้นชื่อว่าเรื่องดีมงคลดีชาวดีรุ่งอรุณดีเมื่อ น, นั้นเพราะชาวผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาต้องเชื่อมั่นอย่างนี้และทําอย่างนี้ไม่แสวงพาหิระทักกินัยนอกหลักคําสอนของพุทธศาสนาเดี๋ยวมาบอกว่าโอ้ยคนนั้นขลังคนนั้นศักดิ์สิทธิ์คนนั้นสเดาะเคราะห์ได้นั่นแหละพาหิรทักกินัยนอกหลักพุทธศาสนา พวกนี้จะเอาแต่อ้อนวอนขอร้องสุดท้ายก็จะโดนเขาหลอกเอาเงินไปตามระเบียบพวกเข้าจเจ้าเขา้าทรงทั้งหลายอาลองดูอะทุกที่อะเอาเงินทั้งนั้นแหละใช่ไหมใช่นั่นแหละนั่นไม่ใช่หนทางแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้ จ, จริงถ้าเป็นชาวพุทธดูเหตุปัจจัยศึกษาจากที่ผู้เจ้าท่านสอนแล้วมาดูความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงอย่างที่ท่านสอนไหมลองทดลองเองเลย การทดลองก็คือการฝึกประพฤติปฏิบัตินั่นเองเห็นผลแล้วจึงจะมั่นใจแล้วทําสิ่งนั้นให้เต็มที่ในประการสุดท้ายค้นคว้าช่วยเหลือกิจกรรมกิจการสนับสนุนกิจกรรมกิจการทางพุทธศาสนาเพื่อความยั่งยืนและเพื่อความเจริญทั้งต่อตัวของโยมเองโยมก็มาขนขวยช่วยเหลือกิจกรรมทางศาสนา <c oughs> โยมก็จะมีโอกาสได้ฟังธรรมได้มีโอกาสบาเพ็ญประโยชน์ เมื่อยมบำเพ็ญ ป, ประโยชน์ช่วยเหลือบุคคลอื่นเห็นเขาได้รับธรรมะมีความสุขยงรู้สึกยังไงนั่นแหละประโยชน์ต่อตัวของโยมเองโยมเองเกิดปัญญาแล้วได้ความสัมพันธ์ที่ดีกลับไปด้วยอีกอย่างหนึ่งเป็นการรักษาสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ให้ยั่งยืนต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานี่นี่คือห้าประการที่อุบาสกอุบาสิกาพึงควรจะมี เป็นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาที่ดีอ่าก็ฝากไว้สำหรับญาติโยมนะขอภัยเกินเวลาไปยี่สิบนาทีละนะส่วนที่เหลือในธรรมนูนชีวิตด้านหลังจะมีทั้งในเรื่องของต่อตนเองการเมืองการปกครองครอบครัวที่พระเดชพระคุณอาจารย์ท่านได้สรุปเอาไว้ให้อัตมาคงจะไม่ได้อธิบายแล้วนะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะเป็นอธิบายเรื่องนี้ก็ใช้เวลากันอีกหลายเดือนเลยนะในแต่ละข้อแต่ละข้อ นะก็ขอให้โยมไปอ่านถ้าว่าเข้าใจหลักเบื้องต้นตรงนี้แล้วคิดว่าอ่านต่อจากนี้ไม่ยากละวนะก็ฝากเป็นการบ้านให้โยมไปอ่านแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะเริ่มขึ้นในเรื่องของศีลข้ออื่นละนะซึ่งจะมีความสําคัญต่อในเรื่องของการฝึกปฏิบัติกรรมาฐานของเราอ่านะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็คงจะขอจบการบรรยายธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้นะคราวหน้าจะให้ฝึกช่วงแรกฝึกมรณะสติจริงๆละ วันนี้เพียงแค่ให้มเมล็ดพันธุ์เอาไว้เอาไว้กระตุกให้คิดสนิดหนึ่งนะต่อไปต้องฝึกแหล ะ, ะต้องฝึกให้เป็นประจำนะอ่าลลำดับต่อไปก็ขอเชิญโยมแผ่เมตตาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์พร้อมกัน